พระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกท่านยิ่งใหญ่ด้วยพระธรรมพระธรรมทให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นใหญ่ท่านยิ่งใหญ่โดยความเป็นธรรมโดยเป็นผู้เข้าถึงธรรมคำวาธรรมคำว่ า, าธรรม ก็คือความรู้ความเข้าใจของพระองค์นั่นแหละเข้าไปสอดแทรกรู้คติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์ของหลักธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าธรรมมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่ส่งไว้อยู่โดยสภาพหรือสภาวะของมันท่าเรียกว่าธรรมธรรมคือสภาพอันส่งไว้ สภาพอันทรงไว้ของมันก็คืออะไรสภาพอนิจจังสภาพทุกขังสภาพอนัตตามันทรงไว้อยู่ไว้โดยสภาวะความมีความเป็นของมันอันนี้แหละท่านเรียกวา่าธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้คือท่านรู้ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกวา่าตรัสรู้ธรรมแต่พวกเราเนี่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมโดยละเอียดเหออมือนพระองค์ไม่ได้ เพราะมันมีสิ่งคอยปิดคอยกั้นคอยเครือบคอยแฝงบดบังปัญญาบดบังสติบดบังปัญญาของเราเราจึงเข้าไปรู้เข้าไปเห็นไม่ได้สิ่งที่บดบังก็คือกิเลสนั่นแหละกิเกลยก็คือความรู้อย่างหนึ่งเป็นความรู้อันจอมปลอมไม่ใช่ความรู้ที่เด่นชัดแจ้งประจักษ์ตามหลักของสัจธรรม กิเลสเป็นตัวจอมปลอมมันเป็นมันเป็นพิษสงที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของความอยากตัวตันหานั่นแหละตัวความอยากในหัวใจของเราเราดูไปที่ใจเราเราเห็นความอยากอยากพูดอยากคุยอยากเล่นอยากสนุกอยากกินอยากดื่มอยากหลับอยากนอนอยากสารพัดที่เป็นไปตามอำนาจของความความอยาก ตามเรื่องของกิเลสความอยากของกิเลสไม่มีเหตุผลหรอกไม่มีเหตุผลอเอาความอยากเข้าใส่เอาความอยากเป็นที่ตั้งไม่มีเหตุผลเช่นอย่างเช่นอย่างอยากอยากได้โลกนี่ไโลกได้หนึ่งเราก็ยังอยากได้สองได้สองแล้วยังอยากได้อสี่ ได้สี่แล้วก็ยังอยากได้แปะอยากได้สิบเงมีพันแล้วก็อยากได้เป็นหมื่นมีหม <JR S 2> ื่นก็อยากได้เป็นแส น, นมีนแสน ก, ก็อยากได้เป็นล้านมีล้านแล้วก็อยากอยากได้เป็นล้านล้านมีโลกหนึ่งแล้วก็ยังอยากได้อีกโลกหนึ่งมีสองโรคก็ไม่พอมีสามโลกก็ยังไม่พอเหมือนน้องตาทันเทศยกสามแดนโลกธาตุให้กับความอยากก็ไม่มีเมืองเมืองพอ เพราะฉะนั้นความอยากในหัวใจของเราจึงมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรใครไม่เคยเห็นน้ําในมหาสมุทรไปดูน้ํำทะเลมันมากหรือมันน้อยมองหลุดสุดลูกหูลูกตาเนะี่ยนั่นอะความอยากของคนเนี่ยมากกว่านั้นอีกพุทธเจ้าททรงตรัสยากความอยากของคนมากกว่านั้นอีก มันจึงแสดงพิษพิษสงของมันมาบทมาบังสติปัญญาของเราไม่ให้เราเไม่เราเไม่ให้เราเห็นสั จ, จธรรมคือไม่ให้เราเห็นความเป็นธรรมตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงบทบังสติ บ, บทบทังปัญญาไปหมดบทบงังบทบังจนมืดตึบตึบตืบตบ้อ่าจนท่านให้คําว่าอาวิชชาอาวิชชาหรือโมหะโมหะโมหะ ก็คืออวิชชาอวิชชาก็คือโมหะอวิชชาคือไม่รู้ความไม่รู้ก็เพราะความหลงมันครอบมันถึงไม่รู้เมื่อความหลงครอบแล้วมันก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็เป็นอวิชชาเมื่อเป็นอวิชชาแล้ววิชชามันก็เกิดไม่ได้วิชชาแปลว่าความรู้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้มันมีสิ่งที่บททิบังคืออิเลตันหาอาสวะในหัวใจของเราเนี่ยมันบทมันบังมองไม่เห็น มองไม่เห็นดอกเห็นแต่สิ่งที่จองปลอมเป็นพิษสงจากอํานาจของความอยากนี่แหละพวกเราจึงเข้าไปรู้เห็นธทำไม่ได้เข้าไปรู้ทำเข้าไปเห็นธรรมโดยส่วนละเอียดไม่ได้เมื่อเห็นไม่ได้มันก็ไม่เกิดความเบื่อก็ไม่เกิดความหน่ายไม่เกิดความคลายความจางจากความรักจากความหึงความหวง สรุปแล้วก็คืออยู่ในอำนาจของตันหาเมื่ออยู่ในอำนาจของตันหาตันหาพาให้ยึดอุปาทานก็ตามมาเมื่ออุปาทานตามมาสถานะของจิตก็เปลี่ยนไปตามการยึดการถือที่ท่านเรียกว่าพบพบก็เป็นปัจจัยให้เราไปเกิดที่นู่นแหละที่มันผูกมันมัดเอาไว้เป็นปัจจัยเกิดชาติ ชาติก็เป็นปัจจัยเกิดแ ก, แก่เกิดเจ็บเกิดตายเห็นไหมจึงเป็นเหตุว่าเราไม่ต้องสงสัยแหละเออเราต้องเจ็บก็ต้องยอมรับมันโอ้มันต้องแก่ก็ต้องยอมรับมันโอ้มันต้องตายก็ต้องยอมรับมั น, ม น, มมนถ้าเราไม่ยอมรับหมายความว่าเราฝืนหลักธรรมชาติด้วยเหตุที่เราฝืนหลักธรรมชาติเราจึงไม่เห็นธรรม ความไม่เห็นธรรมของเราก็คือเราไม่เห็นหลักของธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความอยากมันพาเราฝืนเราดูไปแล้วตัวที่เป็นจำเลยตัวร้กาศที่เราควรโจ์มันให้หนักหนาสาหัสที่สุดก็คือตัวความอยากนั่นมันมีรูปร่างลักษณะยังไงดูไปที่ใจของเราเลวลามันอยากอยากทําบุญอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยาก ทำจิตให้ได้รับความสงบอยากภาวนาอยากรู้เห็นเหตุปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอาสวะเพื่อจะได้ปล่อยปละละวางมันอยากแบบนี้ท่านเรียกว่าเป็นมรรคไม่ใช่กิเลสเพราะมันเป็นเหตุที่จะทำให้เราเนี่ยตอกอกันกับกิเลสไม่ใช่ความอยากจะเป็นกิเลสไปทั้งหมดความอยากแบบนี้เป็นความอยากให้เราสร้างคุณงามความดี ถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีถ้าเราไม่สะสมคุณงามความดีความคุณงามความดีที่ไหนจะเกิดขึ้นจะมีขึ้นในใจของเรามันมีแต่มันมีแต่คุณสมบัติของความเลวเต็มแปรในหัวใจของเราแทนที่จะมีนี่ยมันมีแต่บาปหาบแต่กรรมเต็มแปรอยู่ในหัวใจของเรานั่นตัณหาอาสวะมันก็อันเดียวกันน่ะตัณหาก็เป็นเหตุให้มักดองอยู่ในภพในชาติ ท่านยิให้คําว่าอาสวะอาสวะทั้งหลายทั้งปวงพบชาติทั้งหลายทั้งปวงเนี่เป็นแอ่งเป็นแองอ่าที่ท้าเรียกว่าโอฆะโอฆะคือแอ่งกันดานมักดองหัวใจของคนหัวใจของสัตว์ดองไว้ในพพดองไว้ในชาติดีบ้างสุขบ้างดีบ้างสุขบ้างได้ความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยพอมันลอกให้เรามีความสุขไปตามมันดีใจกับสิ่งนั้นบ้างโอ้ยินดีเพลินใจทําไปชอบใจ พอกรบเกลื่อนวันเวลาไปวันวันเท่านั้นเองพออายุไขห้ปี60ปี70ปีแปปีพ่อกรบเกลือนอายุไขสักหน่อยหนึ่งด้วยเหตุที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมสมรถะบ้างวิปัสสนาบ้างตั้งใจให้ทานทําบุญรักษาศีลบ้างอะไรด้วยเหตุที่ไม่ได้ฝึกฝนสิ่งต่างๆเหล่านี้ทํากาละกิริยาด้วยความลุ่มหลงที่วัด ตายด้วยความหลงตายด้วยความรุ่มหลงจิตใจไม่มีความใสไม่มีความสว่างไม่มีความแปวพราวมืดตึ๊บตืตายไปแล้วตกไปอยู่โลกันไหนก็ไม่ทราบดยเหตุที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เราทั้งหลายมีโอกาสได้มาฝึกฝนอบรมตนเองพานั่งภาวน า, นารักษาศีลําบุญให้ทาน ถึงคราวธรรมก็ให้ตั้งอกตั้งใจทมอย่างแท้จริงอย่างจริงจังให้เกิดผลให้เกิดอดิสง์ในหัวใจบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้มีคุณมีประโยชน์เหมือนหลวงตาท่านเน้นถึงเรื่องของธรรมะธรรมะที่ที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมะที่พระพุทธเจา้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านแสดงเป็นธรรมะที่มีคุณค่าทําให้ผู้ได้ยินได้ฟังเน่ย แล้วก็มีความสนอกสนใจนำมาใคร์ครวนพิจารณาตามอัดตามธรรมที่ท่านแสดงไปแล้วนั้นจะทาให้คนนั้นเริ่มรู้สึกตัว เ, เริ่มรู้สึกตัวเริ่มฉลาดเริ่มรู้จักหลักธรรมชาติเริ่มรู้จักยอมรับหลักธรรมชาติว่าโอ้เราต้องแก่โอ้เราต้องเก็บโอ้เราต้องตายก่อนตายเราควรจะได้อะไรบ้าง เราคนจะสร้างคุณงามความดีอะไรบ้างให้ตกค้างเหลือหลองเหลืออยู่ในโลกคนที่สร้างคุณงามความดีให้มีมากมายมหาศาลตกค้างอยู่ในโลกก็ย่อมหมายความว่าคนคนนั้นตายไปแล้วต้องไปสู่สุกติอย่างแน่นอนเขาถึงได้มีคุณงามความดีตกค้างอยู่ในโลกแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วคนตายนั้นเป็นคนไม่ดีเลยมันจะไปงานการงานจบ ไปงบไปงานไปอะไรก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครสนใจไม่ไมีไม่มีใครอยากไปเพราะเขาคิดว่าเออคนนี้ไม่มีบุญไม่มีคุณสมบัติอะไรไม่มีประโยชน์อะไรไม่เคยทําประโยชน์อะไรให้กับตัวเองกับสังคมกับเราว่างั้นเถอะไม่มีคุณงามความดีอะไรฝากไว้ในโลกก็ย่อมหมายความว่าเขาไม่มีความดีติดตัวไปเลยอาจจะขโมยมีความดีอยู่บ้าง เราอาจจะไม่รู้จักภายในใจของเขาถ้ามีอยู่บ้างแต่ส่วนมากถ้ามีอยู่บ้างก็จะต้องแสดงให้ปรากฏแก่เราเช่นอย่างเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีกรุณามุติตาเบขาเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผือ่อแผ่เป็นผู้ประพฤติประโยชน์ที่เราเรียกว่าอัตทจริยาอัตทจริยาแปลว่าประพฤติประโยชน์ คนเรานั้นจะปฏิเสธว่าเกิดมาทั้งชาติจะไม่สร้างคุณงามความดีเลยย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะขึ้นชื่อว่ามนุษย์ก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติจึงได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แสดงว่าต้องมีธรรมติดเนื้อติดตัวมาบ้างยกเว้นแต่ว่าอยู่ในแวดวงอยู่ในแวดล้อมออให้เขาโน้มเอียงไปกับกรรมชั่วช้าลามก ไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากมายอมรับคุณงามความดีด้วยฐานด้วยศีลด้วยภาวนาอะไรบ้างเลยตกไปอยู่ในแวดวงที่มืดตึบต๊บตื้อไปด้วยกิเลสตัณหาอาสว ะ, ะแหล่งอบายมุขแหล่งมอมเมาแหล่งเสพติดแหล่งชั่วช้าลามกสรพัดสนองความอยากทุกขณะจิต ท, ท, ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอน ถ้าตกไปอยู่ในภาวะแบบนั้นจริงๆโอกาสที่เกิดมาด้วยโอกาสในการเกิดมาอบัตเกิดขึ้นมาด้วยความเป็นมนุษย์ก็จะด้อยคุณสมบัติลงไปแล้วเพราะคุณธรรมที่ท่านเรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมไม่มีตกอยู่ในแหล่งอบายทั้งหลายทั้งปวงทำลายภพชาดด้วยความเป็นมนุษย์ของตัวเองคุณสมบัติที่เคยมีระดับความเป็นมนุษย์ก็ตกไปแล้วแหละ คนเราถ้าหากไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วยากที่จะเป็นมนุษย์จิตใจก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ท่านฟังกันนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยที่ดีอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอะไรได้ก็คือเรามีศีลเรามีธรรมถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วร้ายกาจยิ่งกว่าสัตว์ร้ายกาจยิ่งกว่าศัตรูร้ายกาจยิ่งกว่าโจรกับโจร ร้ายกาจยิ่งกว่าฆ่าสิกกับฆ่าสิกเนี่ยเพราะอะไรเพราะในดวงจิตของคนคนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบอเห็นชอบเป็นผิดเห็นว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีคุณไม่มีโทษอยากยังไงก็ทําอย่างงั้นต้องการยังไงก็ทําอย่างงั้นต้องการต้องการฆ่ากฆ่ า, าต้องการแก ง, งก็แกงต้องการทําช่วยช้าลามกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดที่จะมายับยั้งได้นี่คือจิตที่ชั่วช้าลามกที่สุดจิตใจมืดบอดไปด้วยอวิชชาเต็มดวงที่เราเรียกว่ามิจฉาทิฐิเต็มดวงพ่อไม่มีบุญคุณแม่ไม่มีบุญคุณระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีบุญไม่มีคุณทานศีลไม่มีบุญไม่มีคุณมรรคผลนิพพานไม่มีบุญไม่มี บาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีกิเลสในหัวใจนั่นแหละมันพาปฏิเสธไปหมดแหละมันพาปฏิเสธเอาดื้อ น, นั่นแหละเสรแล้วมันก็กระซิบกระราบให้ทำตามความอยากของมันตายช่างมันตายช่างมันไม่กลัวตายไปทำชั่วช้าลามกขนาดไหนก็ตามไม่กลัวตายนี่เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็คืออธรรม ที่ครองใจอะธรรมที่ครองใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านยิ่งใหญ่ด้วยความเป็นธรรมด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีธรรมด้วยการที่ท่านฝึกฝนอบรมจนเข้าถึงธรรมธรรมะทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าทําให้พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาอาสวะโดยสิ้นเชิงธรรมะทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ความเป็นพระพุทธเจ้าขวนขวายตั้งอกตั้งใจเพื่ออยากเป็นพระพุทธเจ้าทำให้เข้าถึงธรรมเข้าถึงหลักความเป็นจริงในหัวใจเข้าใจหัวใจของตัวเองยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงที่ท่านเรียกว่าเข้าถึงธรรมนี่แหละคือธรรมธรรมนำความสุขความเจริญมาให้เพราะอะไรเพราะเราไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของธรรมกฎเกณฑ์ของธรรมก็คืออะไร อันนี้อยางทุกขณัตตาเราดูไปดิสิ่งรอบข้างตัวเรามีอะไรสักอย่างเป็นของที่อย่างมีไหมเราดูไปที่เทียนที่กําลังจุดอยู่เนี่ยเราดูเปลวของมันมันหยุดนิ่งไหมในเปลวเทียนนั้มันมันไม่มันไม่ได้หยุดนิ่งอ่ามันถูกลมพัดทางเหนือมันก็ไปทิศใต้พัดจากใต้มันก็มาทางเหนือพัดจากตะวันออกก็ไปตะวันตกพัดจากตะวันตกก็ไปทะวันออกโอกาสที่มันจะหยุดนิ่งยาก แม้ภายในตัวมันมันก็ไม่หยุดนิ่งเราดูไปสิความสว่างของมันสว่างมากบ้างสว่างน้อยบ้างในความสว่างของมันนันมีความร้อนในความร้อนของมันมันจะกินไส้มันจะกินน้ํามันมันอยู่นิ่งไหมไม่มีหยุดนิ่งเราจุดเทียนเราเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือเราจุดเทียนเล่มเล็กๆห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหมดล่าแล้ว มันกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยหมดนั่นแหละมีอะไรอยู่คงที่บ้างไม่มีอะไรอยู่คงที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีนั่นแหละคือภาวะของธรรมชาตินั่นแหละคือภาวะของธรรมชาติในความสว่างนั้นมีความร้อนในความร้อนนั่นแหละมันกินน้ำมันเอาน้ำมันเป็นเชื้อน้ำมันก็หมดไปไส้ก็หมดไปเห็นไหม น้ำมันหมดไปไส้หมดไปน้ำมันหมดไปไส้หมดไปมันมันหมดไปเพราะมันเป็นพลังงานมันไปเผาไหม <c oughs> สิ่งที่ได้มาจากการเผาไหมก็คือได้ความร้อนได้ความสว่างไม่มีอะไรคงที่เราดูข้านงนอกแล้วเราดูมาที่ที่จิตของเราจิตเราอยู่คงที่ไหมความนึกคิดของเรานึกอยู่กับสิ่งเดิมเรื่องเดิมไหมไม่อยู่กับสิ่งเดิมกับเรื่องเดิม ตอนนี้ยินดีพอใจกับที่เราพลิกเปลี่ยนจากเจ็บจากปวดเมื่อกีนะ้นั่งนานๆแล้ว ร, รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเราพลิกเปลี่ยนมานั่งสบายๆเออรู้สึกเปลี่ยนสถานะของจิตมาอีกอันนึงเรานั่งทับไปนานๆเออ ร, รู้สึกปวดอีกแล้ว อ, อปวดมากก็ไม่พอใจนั่งสุขสบายก็ยินดีก็พอใจนั่นนะคือความไม่คงที่ของมัน จิตใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยนอกจากนั้นาก็วิ่งรับรู้รับทราบทางตาทางหูหูก็คือเสียงนี่แหละเสียงฟังมันก็ไม่ใช่สัพท์ว่าฟังฟังแล้วก็ส้ำเนียกไข้ครควนตามเสียงตามภาษาตามสื่อที่หมายว่าอะไรหมายว่าอะไรจิตเราก็ไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยร่างกายของเราก็ไม่ค ง, งที่ไม่คงที่ใดไงเรานั่งอยู่เนี่ยไม่เห็นเป็นไหนไม่ไม่เห็นไปไหนร่างกาย ไม่คงที่กระดุกซ้ายกระดิกขวาซอกซากซอกซากอยู่เห็นไหมนี่ก็ไม่คงที่จากนั้นแล้วเราคิดว่าเรานั่งนิ่งดิง่งที่สุดอยู่แ ล, แล้วแหละมันก็ยังมีอาการไหวหายใจเข้าไหวหายใจออกไหวไหวด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกจากนั้นแล้วความร้อนในกายความเจ็บปวดในกายสัก ห, หนึ่งเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วนั่นไม่มีอะไรคงที่สักอยา่าง ความไม่คงที่ทั้งหมดนี้แหละเป็นภาวะความมีความเป็นของมันภาวะความมีความเป็นของมันมันรักษาสถานะของมันอยู่อย่างนี้มันรักษาสถานะของมันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะธรรมะคือสภาพรักษาไว้คือสภาพอันส่งไว้ ส่งไว้คือส่งไว้ภาวะของมันแหละท่าเรียกว่าภาวะอันส่งไว้ท่านก็เรียกว่าธรรมภาวะอันส่งไว้ตามภาวะของมันท่านเรียกว่าธรรมเช่อนอย่างพระอาทิตย์ส่งไว้ซึ่งความร้อนมันก็เป็นธรรมะหนึ่งของมันเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราเดินแดดร้อนเปรียปร้ยงๆเราไปด่าให้กับพระอาทิตย์ น, นั่นคือไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ่า หน้าร้อนหน้าหนาวฝนตกเปียกถูกลมพัดหนาวเย็นไม่รู้ไม่เข้าใจว่าฝนมันเปียกเปียกแล้วมันเย็นถูกลมพัดอีกยิ่งหนาวสะบั้นเข้าไปสู่หัวใจดาฝนอีกแน่คือไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็ฉลาดหาที่หลบหาที่ซ่อนหาที่มุงหาที่บังหาที่มากั้นมากลางกันแดดกันฝนนี่คือใช้ปัญญา การที่เรายอมรับรับรู้สภาวะที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงแบบนี้ท่านเรียกว่ายอมรับความเป็นธรรมสภาพอันทรงไว้ซึ่งสภาพอันทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติของมันท่านเรียกว่าธรรมธรรมต้วเหตุที่กิเลสมันมีอยู่ในใจมันมีความอยากเราต้องแก่แต่เราไม่อยากแก่เราต้องเจ็บแต่เราไม่อยากเจ็บ เราไม่อยากแก่แล้วมันอยากเปลี่ยนไปตามความอยากของเราก็ไม่เป็นไปตามความอยากของเรามันแก่ไปตามภาวะของมันเพราะสภาพของมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเจ็บแต่เราไม่อยากเจ็บมันจะไม่เจ็บตามที่เราอยากไหมมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราอยากเพราะสภาพมันจะต้องเจ็บอยู่อย่างนั้นมันต้องตายแต่เราไม่อยากตายถึงเราไม่อยากตายมันก็จะต้องตายก็เพราะว่า สภาพของมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือธรรมะถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วมันก็ทำให้เรารู้เท่าทันภายในใจของเราความอยากที่จะคอยมาสอดแทรกใ น, ในใจของเรามันก็หดเข้าไปหดเข้าไปหดเข้าไปมันเหือดเข้าไปเหือดเข้าไปในสุดมันเหือดแห้งหายไปจากหัวใจธรรมะต่างๆเหล่านี้อาศัยว่าสติปัญญาความสงบ กับสติกับปัญญาสติสัมผัสัญญากับปัญญากับวิรยิยะอุตสาหะความอดความตนท น, ท, น, ท, นที่เรามาอบรมมักมาขบมาเคี้ยวมาเคี้ยวเพื่อให้ธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจของเราเพื่อจะได้เป็นการขับเป็นการต้นตันหาอาสวะทั้งหลายทั้งปวงให้ออกไปจากหัวใจของเรานี่มันสามารถเหือดแห้งหายไปได้ด้วย ด้วยอำนาจของการกระทําของเราตั้งใจพิจารณาตั้งใจตั้งใจขัดตั้งใจฝนฝนจนแหลมฝนสติฝนปัญญาท่านท่านให้เอารู ป, ปรธรรมนี่แหละฝนท่านให้เอามาธรรมชาตินี่แหละฝนธรรมชาติท่านให้เอ า, า, ต า, ต า, เอาสติให้เอาสัมชัญญานี่แหละฝน เอากายอะไรมาเป็นที่ฝนฝนให้เกิดสติฝนให้เกิดปัญญาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าไปรู้เข้าไปยอมรับภาวะของมันเราก็หัดพิจารณาใช้หลักสัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงใช้สัญญาพิจารณาว่าร่างกายเป็นทุกข์ใช้ใช้สัญญากําหนดพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตา พิจารณากลับไปพิจารณากลับมาดูไปดูมาย้อนไปย้อนมาจนมันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, นจนเกิดปัญญาญาญปวกกปัญญายาณก็คือมันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจิตใจนี้ก็สลัดถอยจากการยึดจากการถือเพราะมันยึดไม่ได้มันถือไม่ได้เรายึดมันก็เป็นเหมือนเดิมเราไม่ยึดมันก็เป็นเหมือนเดิมแต่เรายึดแล้วเราก็ทุก ผิดหวังจากการที่เรายุดต้องการให้เขาเขาสุขแต่เรายึดยิ่งยุดเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งยุดเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ก็ยิ่ ง, งทับถมมือใจแต่ถ้าหากเรายอมรับตามมีอยู่จริงเป็นอย่างจริงเราก็เราก็เข้าใจพอเราเข้าใจมันก็แยกออกมารูปก็าเป็นรูปจิตสติปัญญาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจก็แยกออกมาแยกออกมาคือใจไม่ไม่ได้รับ ความทุกข์ความเดือดร้อนไปกับที่มันแก่ที่มันเจ็บที่มันตายที่มันวิโยคที่มันพลัดพรากจริงเรล่อนี้มีอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกเป็นเนื้อหาของสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ธรรมเข้าถึงธรรมปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมคือยอมรับหลักธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีอยู่จริงอย่างนี้เป็นอยู่จริงอย่างนี้ เลยไม่เอาความนึกความเห็นของตัวเองเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานนะก็ได้ยินสักจธว่าได้ยินได้เห็นสัจธรรมได้เห็นได้สัมผัสสัจธรรมได้สัมผัสไม่เอาความยึดความถือเข้าไปผูกพันเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วนั่นนี่พระงพ่อทีเจ้าท่านสอนพระพาหิยะด้วยเรื่องเหล่านี้แค่นี้แหละ พระพายะฟังยังไม่จบหนึ่งคาถานะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สมัยกตทธกาลเนี่เป็นผู้มีสติมีปัญญาเป็นผู้ได้อบรมเต็มเต็มที่เต็มเปี่ยมมาแล้วพระพายยะยังไม่ได้บวชไปแสวงหาผ้าพเพื่อจะบวชถูกวัวชนตายวัวนั้นก็ถูกยักษิศรีเข้าไปสิงเข้าไปสิงวัวเคยเป็นเวนเป็นภัยกันตายซะก่อน พระพุทธเจ้าบินทบาตยังไม่ได้กลับเชตวันก็มาเห็นศพเห็นศพของพาหิยะอยู่ที่กองอยากเยอะก็เลยสั่งให้จัดการทำทำศพคือพระพุทธเจ้ากำลังทรงบินทบาทอยู่พระพาหิยะเนี่ยในในชาติในชาติาตเป็นในชาตินี้ในอัตภาพนี้ท่านเป็นพ่อค้าท่านไปค้าขาย นเรือแตกเรืออับปางกลางทะเลศีนีท่านก็ได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งได้ได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งท่านก็เกาะมาลอยมาตามน้ำลอยมาลอยมาลอยมาลอยมาตามน้ำเสื้อผ้าอาภรณ์กหลุดลุยไปหมดแล้วอยู่ในทะเลเหลือแต่ตัวร่อนจ้อนนั่นแหละเกาะแผ่นกระดานลอยมาลอยมาลอยมาลอยมาก็มาติดทีท่าถ้า เขาเรีกท่าสุปรารกะเพราะไปติดเพราะไปติดท่านก็ขึ้นขึ้ น, นมาท่านก็นไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรนุ่งอ่าท่านก็นเป็นคนเปลือยอยู่อย่างนั้นอ้าวประชาชนทั้งหลายทั้งปวงเห็นเป็นเรื่องแปลกโอ้องค์นี้น่าจะเป็นพระอรหรันต์วะพากันไปกราบไปไหว้แห่นี้พากันไปกราบไปไหว้เพราะท่านไม่นุ่งไม่หม่มนุ่งห่มที่ไหนก็คนเรือแตกอยู่ในทะเลน่ะ ขึ้นมาถึงท่าเรือคนไปเห็นก็ไปกราบไปไหว้ไปอะไรตั้งหลาเนี่ยในที่สุดเขาก็เอานน้นมาให้เอาอันนี้มาให้เอาอาหารมาให้อเอาอาหารมาให้เอาเสื้อผ้าเอาอะไรมาให้ไม่เอาโอถ้าเราเอาเสื้อผ้าไปแล้วนี่ยเขาจะไม่เอาอาหารมาให้เราเลยสําคัญไปตามเข่าวว่าสวมรอยเพื่อเพื่อได้หากินได้สะดวกสบายเนี่ยสวมรอยเพื่อหากินได้สะดวกสบาย พออยู่มาอยู่มาก็อยู่มาอยู่มาก็มีพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกไปบิณฑบาตภายาณิก็ตามไปขอฟังธรรมทราบวเป็นพระพุทธเจ้าขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่แสดง ตามไปตามไปพุตต si ิยามาแสดงสองครั้งสาครั ado, ้งก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ทราบไปได้ว่าชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยจะยืดยาวไปสักเท่าใดขอให้พระองค์แสดงธรรมแก่ข้าพระองค์พระกุตติย้าท่านก็ทรงแสดงถามว่าเห็นสักเทว่าเห็นได้ยินสักเทว่าได้ยินได้สัมได้กลิ่นสักเทวะได้กลิ่นได้ลิ้นได้รสสักเทวะได้ได้รสสัมผัสสักเทวะสัมผัสคําว่าสัก สักแต่ว่าศักแต่ว่านั่นเนี่ยมันไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานอยู่ในนั้นท่านสามารถทําใจได้ตามนั้นเทศยังไม่จบหนึ่งกระฐานะไ ด, ได้ได้ได้ได้เป็นพระรหันเพราะได้เป็นพระรหันแล้วขอบวช อ, อันนี้สงส่าท่านไม่เคยไม่เคยถวายผ้าผ้าเลยไม่ไม่ลอยมาติดตัวเหมืั้นนะปกติพุทธเจ้าท่านจะทรงตรัสว่า <Hey. S 1> เธอจงเป็นพิสุมาเถิด ตามตำนานท่านเล่านะจะมีผ้าลอยมาพันกายของผู้นั้นแต่พระพายะไม่มีอานิสงส์ไม่เคยถวายผ้าแม้แต่สําเร็จเป็นพระอารหันต์แล้วนะยังบวชไม่ได้ไม่เคยมีอานิสงส์ถวายผ้าพุทธเจ้าก็เลยให้ไปหาผ้ามาเพื่อบวชก็ไปหาเขี่ยผ้าในกองขยะเขียเขี่ยเขียเขียเข่ยวัวหากินอยู่แถวนั้นอวัวที่เมืองอินเดียก็วัวก็เต็มไปหมดะ วัวหากินอยู่แถวนั้นยักษินีที่เคยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันเนาจะว่าไปแล้วคือคราวของท่านมาถึงตอนนั้นพอดีมันไปสิงบัวไม่ชนตายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากระพศาวกบินท บ, บาทวกกลับมาก็เห็นเห็นโอ้ก็เลยสั่งให้เขาเก็บทมชาพน ก, กิจศพน่ยยังไม่ได้บวชแต่ก็เรียกว่าพระพาหิยะเป็นผู้ตรัสรู้เร็ว เป็นผู้ตรัสรู้รมได้อย่างรวดเร็วประเภทคิ ป, ปาพินยาเนี่ยคิ ป, ปาพินยาบรรลุธรรมเข้าใจทมได้ง่ายบรรลุธรรมได้เร็วพระภาหิยะทารุจริยะอันนี้คือการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นตามที่คนอื่นบอกเข้าใจง่ายจิตเข้าถึงได้ง่าย mm hmm. เข้าถึงอะไรเข้าถึงหลักความเป็นธรรมนั่นแหละเข้าถึงได้โดยที่ไม่ไปยึด มันถือมันด้วยตัณหาด้วยอุ ป, ปาทานนี่คือธรรม <laughs> เห็นหนลวงตาท่านพูดถึงธรรมออกไม่ได้ธรรมออกไม่ได้รร ม, ออไ ม, ไดมีคนมากีดมากัดมาขัดมาขวาง <h ums> เพราะเรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่เป็นไปในโลกไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เป็นโทษสำหรับใครแต่มันออกไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวังที่เราตั้งใจจะออกตามนั้นเขาต้องการมาฤทธมารอนมาร้อนกําลังส่งสูงๆก็ให้ลดลงมาต่าๆเงี้เสาวสูงๆก็ให้ลดลงมาต่ําๆแต่เราว่าเสียงธรรมของเราไม่เป็นเวรไม่เป็นภยัยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครก็น่าจะอยู่ได้เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่จบจนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เวลานี้ยังไม่จบเขาก็ยังไม่ได้ออกปากว่าจะให้เราเป็นได้เหมือนเดิมถ้าเขาเอาตามนั้นประกาศกฎหมายเขาประกาศใช้แล้วถ้าเขาจะเอาตามนั้นล่วงเกินไปสามเดือนเรายังไม่จัดการอะไรเลยเราก็ผิดผิดกฎหมายที่เขาประกาศใช้เขาจะทำอะไรก็ได้ เรามาคิดดูอีกทีหนึ่งว่าใ จ, ใจจืดใจดำหมูหนวกตาบอดป่านันหรื อ, อมันจะอาจจะมีช่องทางพิจารณาตกลงเจรจากันได้ถึงวาระสุดท้ายถ้าเผื่อตกลงเจรจากันไม่ได้จริงๆก็ให้ศาลเขาได้ช่วยพิจารณาแล้วว่าสมควรไหมเหมาะสมไหมเจ้าบ้านเดือดร้อนไหม พระเจ้าประสง์เดือดร้อนไหมเรื่องเดือดร้อนนี่เราพวกเราทั้งหลายก็เดือดร้อนให้เขาเห็นละ่ะเดือดร้อนให้เขาเห็นประชาชนเราก็เดือดร้อนยื่นรายชื่อถอดถอนไปเนี่ยนี่ก็ถือว่าไปตัดวิทยุของเขาจะไม่อยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมเขาก็จะเดือดร้อนเขาก็แสดงสิทธิ์ไปแล้วทีนี้พระเจ้าประสงค์ก็เดือดร้อนเหมือนกัน ทำอะไรเขาไม่ได้ดอกความบาตทําอะไรเขาไม่ได้ดอกความบาตความแล้วก็ไม่ได้อะไรดอกอแต่สมัยพุทธกาลพุทธิเจ้าท่านทำทำกับเจ้าเมืองด้วยนะพระสัตรุดชูวีทํากับเจ้าเมืองด้วยจนกว่าเจ้าเมืองเขจะรู้ตัวว่า เขาผิดจริงเขายอมรับกลับเนื้อกลับตัวได้พรองจึงให้หงายบาทความไากับหงายได้การความบาดก็คือไม่ยอมรับหลังจากคณะสงฆ์ประกาศความบาดแล้วเนี่ยพระอนน์บินทบาทเจ้าฤทธิชวีนี่เขาก็จะใส่บาดพระอนน์ก็ไม่รับจะใส่บาดก็ไม่รับเพราะอะไรเพราะสงฆ์ความบาดแล้วคําว่าความบาดก็คือ ไม่เกี่ยวข้องไม่พูดไม่คุยไม่เกี่ยวข้องไม่รับทำบุญไม่รับให้ทานไม่รับอะไรทั้งนั้นนี่ทเรียกว่าคล่อมบาสผู้ที่ทำความเดือดร้อนให้กับพระทีเจ้าทำความเสียหายหายให้กับพระธรรมทำความเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์ขวนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ของพระทเจ้าของพระสงฆ์เพื่อความเสียหายของพระธรรมนี่มันเข้าข่ายแลว ยิ่งขวางทางการเผยแผ่ธรรมอยู่แล้วขวางทางการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วถ้าเราจะพูดถึงโทษโอ้มีอา น, นิสงส์ทำให้เป็นวิบากกรรมหูหนวกตาบอดทำไงอะไม่มีใครอยากหูหนวกไม่มีใครอยากตาบอดเลยแต่ก็น่าจะหูเปิดตาเปิดตั้งแต่ตอนนี้ ายังไม่เปิด ม, มันก็เท่ากับบอดฟังถึงคุณถึงโทษแล้วน่ากลัวน่ากลัวแทนเขานี่คืออเนกสง์ของธรรมมันไม่มีในหัวใจถ้าธรรมะมีในหัวใจแล้วโอ้ยใส่ผานพระเคนท่านเลยท่านทำแต่ประโยชน์เท่านั้นไม่มีทำโทษ ไม่มีงบจากที่ไหนไมาช่วยสนับสนุนละฟักกระเป๋าเองฟักกระเป๋าเองเท่านั้นวิทยุลงตาเดี๋ยวนี้ร้อยยี่สิบหกสถานีทั่วประเทศร้อยยี่สิบหกสถานีอตอนนี้เรากำลั ง, งต่อสู้กันกับกสทชเนี่ยไม่รู้จะได้คืบหน้าไปเท่าไหร่ ต่างคนต่างหูพึงคอยฟังข่าวอยู่เนี่ยมีวันที่ยี่บสองนี่คือจะมีการประชุมใหญ่ที่บันตัดในที่ประชุมนั้นจะว่ายังไงก็ยังไม่ทราบจะเป็นสวดความบาตรหรือจะเป็นการนัดแนะมาสวดความบาตรหรือยังไงก็ยังไม่ทราบเนี่ยนี่คือความือร้อนเรื่องการเผยแพร่ธรรม สมัยที่หลงตาท่านเทศกั น, นเทศกันนี้อยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่เราได้ได้ฟังไปตอนตอน้ตนๆเนี่ยตอนนั้นเขาออกมาออกคณะกรรมการช่วคราวเขาเรียกว่าคณะกรรมการชั่วคราวเขาออกมาครั้งแรกหลังจากกอทอชเขาบอกให้ให้เขาหลังจากกอทอชหลังจากรัฐธรรมนูญปี40ออกมาแล้ว กทชเขาก็ไม่ทําอะไรเพราะให้ประชาชนขึ้นวิทยุคนนั้นก็ขึ้นคนนี้ก็ขึ้นคนนั้นก็ขึ้นคนนี้นก็ขึ้นพวกเราก็ขึ้นบ้างเพราะเขาให้สิทธิกับประชาชนวิทยุชุมชนกฎหมายให้สิทธิพวกเราพวกเราทําตามสิทธิที่มีในรัฐธรรมนูญไม่ใช่เราทำไม่ใช่เราทรําผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นนะกฎหมายให้โอกาสเราทําเพราะฉะนั้นวิทยุจึงเกิดขึ้นมากมายเยอะแยะ แปดพันกว่าสถานี8700ดรอกว่าสถานีวิทยุเกิดขึ้นเป็นวิทยุใหม่นะไม่ใช่วิทยุเก่าไม่ใช่พวกวิทยุอสมมติกรมประชาสัมพันธ์รัฐสภาไม่ใช่นี่เป็นวิทยุชุมชนเกิดขึ้นเก่าทีนี้พ่อค้าวานิชทั้งหลายก็อยากโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นวิทยุเป็นวิทยุธุรกิจเลยวิทยุธุรกิจเกิดขึ้นเต็มไปหมด าสัมผัสเหมือนอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเต็มไปหมดเขาไม่จัดการเขาเพิ่งมาจัดการเมื่อปีไหนเมื่อสามปีที่ลงตาเทศเนี่ยสาปีย้อนหลังที่ลงตาเทศเนี่ยตอนนั้นเขามาคณะกรรมการชั่วคราว <c oughs> เขามาตั้งกำหนดให้ที่สาสิบวัดสาสูงสามสิบเมตรก็ไม่มีใครยอมรับแหละแต่เขาก็เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พวกเราก็ไปลงทะเบียนพวกเราก็ไปลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อทดลองออกอากาศคราวละหนึ่งปีคราวละหนึ่งปีงปแต่การลงทะเบียนของเรานั้นเราไม่เอาตามเขาเราลงทะเบียนอยู่แต่เราไม่ได้ตกลงเอาสามสิบวัตต์สามสิบเมตรเรามีเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญให้โอกาสเราทำแล้วก็อยู่มาอยู่มาอยู่มาสองปี ทดลองไปสองครั้งทดลองไปสามครั้งขอทดลองนะครั้งละหนึ่งปีครั้งละหนึ่งปีงนงปเนี่ยเมื่อราวๆห้าหเดือนที่แล้วมาเนี่ยกศธาชาเลยเกิดขึ้น<บ>พวกนี้เป็นกรรมการจริงเป็นกรรมการไม่ใช่กรรมการชั่วคราวเลยเป็นกรรมการถาวรเป็นกรรมการบอดใหญ่ที่จัดตั้งมาถูกต้องตามกฎหมายนีย่พอเขามีมา เขาก็เลยมาประกาศอีกมาประกาศอีกเมื่อไม่นานเนี่ยมาประกาศอีกเมื่อไม่นานบอกว่ า, าให้มีกำลังส่งไม่เกินหนึ่งร้อยวัตต์เนะี่ยขึ้นมาอยู่นะจากสามสิบวัตต์ขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยวัตต์เสาสูงไม่เกินสี่สิบเมตรคนเป็นหมื่นๆไปฟังความคิดเห็นจากที่เขาเขาฉบับ แผนแม่บทที่เขาเขาเอามาออกให้เราแสดงความพิเทรณาไม่มีใครรับสักคนพ mm hmm. าอยู่มาอีกมีธุรกิจท้องถิ่นประมาณสองพันกว่าสถานีไปขอขอสักห0 0ร้ยวัตต์พอขอสักห0 0ร้อยวัตต์เขาก็เลยตกลงประชุมหารือกันเพื่อที่จะอนุมัติห0 0อยวัตต์เนี่ยเมื่อวันที่ยี่สสอง พวกเราก็ตามต้นเพื่อที่ไปคัดค้านอยู่ทุกระยะพวกเราเลยไปคัดค้านใหญ่เลยแหละวันนั้นเอาลายเซ็นไปยื่นคัดค้านแสนห้าหมื่นกว่ารายชื่อที่พวกเราไปเซ็นกันอะไปคัดค้านคัดค้านไม่ให้ออกนะแต่คัดค้านไม่อยู่เขาไม่ฟังเขาไม่ฟังในที่สุดพวกนักธุรกิจท้องถิน่นไปขอห้าร้อยวเมื่อวันที่สิบเก้านี่ยเขาเลยประกาศประกาศเป็นทางการ ในรัฐยักิตจานุเบกษาแหละเป็นกฎหมายเต็มตัวแหละตอนนี้500วัตต์500วัตต์กำลังส่งไม่เกิน500วัตต์เสาสูงไม่เกิน60เมตรแน่นี่กฎหมายออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่ของเรามันมีแต่หมื่นวัตต์เนี้ย 1,000 วัตต์ 2,000 วัตต์ 3,000 วัตต์ 10,000 วัตต์เสาก็มีแต่100ตร้อยเมตรร้อยยี่สิบเมตร ร้อยสามสิบเมตรเขาก็ไม่อยากให้อแล้วเ อ, อเขาก็ไม่อยากให้พวกเราพยายามทำทุกทุกอย่างตามต้อนกันมาสองสมปีละจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องในราวนี่แล้ระยะนี้เป็นระยะหัวเรี่ยวหัวต่อเนี่ย เ, ออเป็นระยะที่เครียดทาจะว่าไปแล้วเนี่ยคํำเครียดกับภาวะอันนี้เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะพวกเราตามต้อนเขา เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะพวกเราไม่ยอมคลุมเราไม่ยอมวิทยุทั้งหมดเดือดร้อนหมดมหาเททสมาคมก็เดือดร้อนสำนักพุทธแห่งชาติก็เดือดร้อนวัดสังฆทานก็เดือดร้อนแล้วก็สถ า, านีวิทยุของฝ้ายิงอุบลรัตน์ก็เดือดร้อนตอนหลังมาได้ยินว่าวิทยุของพวกเสื้อแดงก็เดือดร้อนอีกเดือดร้อนหมด เพราะวิทยุเหล่านี้เกิดทีหลังเหมือนเหมือนกับของเราเนี่แหละเขาจึงไม่ให้แล้ววิทยุแต่ละแหง่งแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะมีกำลังส่งเป็นหนึ่งกิโลวัตคือพันวัตขึ้นไปห้าร้อวัตร้อยวัตเจ็ดร้อยวัตมีมีน้อยแต่ของเขาส่วนมากก็จะเป็นนี่แหละห้าร้อยวัตต่ำจากห้าร้อยวัตเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะ ใครพอที่จะอนุโลมได้ตามระเบียบของเขาก็าก็รับไปแตข่ของเราในเครือข่ายทั้งหมดเราไม่แยกออกเราไม่แยกออกเราจะจับจับกลุ่มกันอยู่ได้ทั้งหมดเพราะเพราะเราเป็นวิทยุเครือข่ายอาศัยสถานีแม่ที่บรรตาสถานีเดียวทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อให้เป็นสื่อนําธรรมะเข้าสู่หัวใจของประชาชนนั่นเองประชาชนก็รวมถึงพระเจ้าประสงค์ด้วย และข้ออ่าข้อธรรมที่เอามาออกก็เป็นข้ออัาข้อธรรมภาคปฏิบัติเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นคุณเห็นโทษของกิเลสในหัวใจที่พยายามอุตสาหเกี่ยวกายต่อสู้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็เพราะเห็นผลเห็นอเนกสงของธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งใจปฏิบัติสู้เป็นสู้ตายกว่าจะได้ธรรมะมาสอนมาบอกมาสอนพวกเรา เสร็จแล้วก็เราคิดว่าเราตั้งใจ ใ, จใช้สื่ออันนี้เกิดประโยชน์แต่สื่อของเราก็มาถูกสกัดลัดกั้นริดรอนแต่พวกเราก็ต่อสู้ตามสิทธิ์ไม่ใช่เราต่อสู้แบบป่าเถื่อนนะเรามีสิทธิ์แค่ไหนเราก็สู้แค่นั้นเรามีสิทธิ์แค่ไหนเราก็สู้แค่นั้นอย่างเรายื่นถ อ, ถอนนี่เราก็ยื่นตามสิทธิ์แต่พระยื่นไม่ได้นะเพราะคนที่ยื่นคือคนที่ไปคัดเลือกสส ผู้ไม่ได้คัดเลือกสอสเช่นพระเนี่ยไม่มีสิทธิ์แต่ความบาดเนี่ยเพราะพระเดือดร้อนนะพระเลยต้องไปความบาทแล้วประชาชนเขาก็ฟ้องฟ้องศาลปกครองเราก็คิดว่าศาลปกครองเขาจะเป็นธรรมจะพิจารณาให้กับเราถึงแม้ว่าศาลปกครองจะพิจารณาแล้วเขารู้ว่าผิดศาลอาจจะบังคับให้เขาออกระเบียบให้รับกับของเราเท่านั้นเอง เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายไปกว่านั้นแต่ถ้าหากยังไม่ถึงนั้นศาลยังไม่ได้พิจารณายังไม่ไอะไรถึงแม้ว่าเราจะคว้าบาตแล้วก็ตามเราจะยืน่นถอนแล้วก็ตามเราก็สามารถถอนได้เราสามารถหงายบาตคืนได้ทารยะไวไัยนี้เรารู้ว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้กับเราให้สมกับที่เราตั้งตั้งความ วังเอาไว้ไว่าจะเอาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นี่ระยะนี้ระยะนีเป็นระยะที่ถึงเครียดพอสมควรเราก็ถึงเครียดเขาก็ถึงเครียดประชาชนเราผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจผู้ที่ตามก็มีผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็มีธรรมะของล่งตาที่ออกอากาศออกวิทยุอยู่เดี๋ยวนี้ ม, มีไม่ภัย อย่างที่เราได้ฟังนี่แหละจากนั้นแล้วก็การใช้ใจ่ายมากมายมหาศาลปีล้ไม่รู้ต้องกี่ล้านเจ็ดปดล้านนะปีหนึ่งปีหนึ่งให้พวกเราเห็นคุณค่าตามทีล่ลงตาท่านปลุกฝังตั้งอกตั้งใจฟังเอาไปประพฤติปฏิบัติต่อเมื่อเขาปิดจริงๆเราไม่ได้ฟังนั่นแหละตอนนั้นเราจะเดือดร้อนแล้ะ ตอนนี้เขาเปิดเรามีเวลาเปิดฟังตอนไหนเราก็เปิด 103.25 แถวนี้ฟังได้หมดถ้าเขาตัดเหลือ500เนี่ยไม่ได้ยินแหลมิดรหละอยู่บ้านตาดมาถึงเนี้ไม่ถึงดอกสถา น, นีแถวนี้ไ ม, ไม่ไม่มีหละที่เราฟังอยู่ทุกวันเนี่ยเราฟังมาจากบ้านตาดนะเพราะกำลังส่ง10กิโลวัตต์ส่งมาถึงนี้ <c oughs> พวกเราก็เลยพลอยเดือดร้อนได้พูดเรื่องเหล่านี้บ่อย เราก็ปล่อยเดือดร้อนไปมือเพื่อนพระเราโยมเราก็ปล่อยเดือดร้อนไปกับเขาเพราะอยากรักษามราดกธทมของตาไว้ไม่ใช่รักษาเฉยๆเป็นประโยชน์กับมวยใจของเราของท่านอีกด้วยอคิดว่าไม่คิดว่าไม่หยุดอย่างนี้ไปตลอดดอกเดี๋ยวถึงภาวะที่จะลงตัวก็น่าจะได้พ อ, อสมควรนะเนาะ สมควรแล้วเข้าใจบ้างไหมฮะมืตึบ๊บเข้าใจบ้างไหมว่าวิทยุในสำคัญยังไงบ้างเสียงธรรมเรามีวิทยุเล็กๆแล้วก็เปิดฟังแราวท่านแสดงธรรมอัดอัดธรรมให้ฟังลงตาท่านเทศน์กลาคืนที่เรามาเปิดคืนมีแต่ธรรมะโอ้ฟังแล้วก็รื่นหูแท้แ กลางวันก็มีเทศช่วยชาติบ้างอะไรบ้างเขาเอามาเปิดแกงหม้อเล็กแกงหม้อใหญ่กลางคืนท่านเอาเด็ดเดดที่ท่านพูดเด็ดเดดแสดงเด็ดเด็ดว่าเปิดให้พวกเราได้ยินได้ฟังพวกเราก็นับว่าโชคดีขอให้ยอมพระว่าโชคดีแล้วก็แสดงความหิวกระหายกับอัดกับทำบ้าง เพื่อกอบโกยให้เป็นสมบัติขอตงอตัวเองและพอสมควรแก่เวลาอ้าวไปครับนะ